เอสนาวัคหมวดว่าด้วยการสแสวงหา 1- นึถึงสิเอเอสนาทิสูตรว่าด้วยการสแสวงหาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาสามประการนี้การสแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสแสวงหาการ 2. การสแสวงหาพบ 3. การสแสวงหาพรหมจรรย์พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารเอสนาที่สูตรที่หนึ่งถึง11จบเอสนาวักที่ส2องจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวพะสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มละสูตร 8. นีขะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. ตัศินาสูตรผู้รู้ทั้งหลายพึงขยายเอสนาเปยยานแห่งโพชังคะสังยุตโดยอาศัยวิเว 13. โอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะ1ถึง 9. โอคาที่สูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโอคะห่วงน้ำสี่ประการนี้โอคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กามโมคะ 2. อพะโวคะ 3. ทิทโคะสอวิโชคะ พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารโอคาทิสูตรที่หนึ่งถึง9จบ 10. อุทธามภากิยสูตรว่าด้วยอุทธามภากิยสังโยชนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตีภิกษุทั้งหลายอุทธามภากิยสังโยชนสังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธามภากิยสังโยชนห้ประการอะไรบ้างคือ 1. รู ป, ปราคะ 2. อ, อรู ป, ปราคะ 3. ม, มานะสี่อุทธัจจะอวิชชาอุท ธ, ธรรมพาคิยสังโยชน์หประการนี้ภิกษุพึงเจริญโพชฌงเจประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุท ธ, ธรรมพาคิยสังโยชน์ประการนี้โพชฌงเจตประการอะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะและถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโพชงอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดอันอยังลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดอันน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญโพ่อชงเจ็ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธธรรมภาคียสังโยตห้าประการนี้อุทธธรรมภาคียสูตรที่10บจบโอขวักที่สิบาจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งโอขสูตร 2. โยคะสูตร 3. อุปาทานาสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานาขันธสูตร 9. โอรัมพาคิยสูตร 10. อุทธรรมพาคิยสูตร ปุณณคังคาเปยญาลวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยาาอีกหมวดหนึ่ง312ถึง323ปุณณะคังคานาทีอันทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ําคงคาเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปุณณคังคานาทีอันทิสูตรที่312ถึง32 323จบ วรที่14จบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. ปฐมมปาจีนิณะสูตรสองหทุติยาที่ปาจีนิณะสุตตะจตุ ก, กะ 6. ฉัฏทปาจีนิณะสูตร 7. จ็ดปฐมมะสมุทธาิณะสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธาิณะสุตตะปัญจกะ พึงขยายคังคาไปยานแห่งผู์ชังคะสังยุตให้พิสดารด้วยอำนาจราคะสิบห้าปุณณะอปมาทวัคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทอีกหมวดหนึ่ง 324ถึงส3 3ตถาคตาทิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเลิกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นตถาคตาทิสูตรที่ส2 4ถึงส3 3จบปุณณัปมาทวักที่ส5ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งตถาคตาสูตร 2. ปะทะสูตร 3. ถึง 7. กูตาที่สุดตะปัญจกะ 8. 1 0ถึงจันที่มาที่สุดตะติกะพึ่งขยายอัปมาทวักให้พิสดารด้วยอำนาจราคะ สิปูณณละกเรณียวักหมวดว่าด้วยการงานที่พึงทําด้วยกําลังอีกหมวดหนึ่ง334ถึง345ปูณภลาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทําด้วยกําลังเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปูณณภลาทิสูตรที่334ถึง345จบ ปุณณะละกรณียวักที่16จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พระสูตร 2. พีชะสูตรสนาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กปุมพสูตร 6. สูกะสูตร 7. อากาศะสูตร 8. ปฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรพึ่งขยายพารกรณีวักแห่งพ่ชังคะสังยุทธ์ให้พิดารด้วยอำนาจราคะ17 ปุณะเอสนาวัตหมวดว่าด้วยการสแสวงหาอีกหมวดหนึ่ง346ถึง356ปูณะเอสนาทิสูตรว่าด้วยการสแสวงหาเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปูณะเอสนาทิสูตรที่346ถึง356จบปูณะเอสนาวัตรแห่งโพชังคะสังยุตที่17จบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เอสนาสูตรสองวิทาสูตร 3. อาสวะสูตรสภพะวสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มละสูตร 8. นีขสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. อตาสินาสูตร ปุนาโอควัคหมวดว่าด้วยโอคะอีกหมวดหนึ่ง3 5 7ถึง366หปุนาโอคาทิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปุนาโอคาทิสูตรที่3 5 7จถึง366บจบปุนาโอควัคแห่งโภชังคะสังยุตที่18 รวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยะสูตร 6. กามคุณะสูตร 7. นิวรณะสูตร 8. อุปาทานขันทสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร10อุทธรมภาคิยสูตร พึงขยายโอควักให้พิสดารด้วยอำนาจการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดพึงขยายแม้โพ่ชังคะสังยุทธ์ให้พิสดารเหมือนมัคคะสังยุทธ์ฉะนั้นโพ่อชังคะสังยุทธ์ที่สองจบ สติปัฏฐานสังยุตหนึ่งอัมพปาลิวัคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวันหนึ่งอัมพปาลิสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวันเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอัมพปาลีวันเขกรุงเวสาลีณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทํานิพพานให้แจ้ง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 สองสติสูตรว่าด้วยผู้มีสติสัมปัญญาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอัมพปาลีวันเขตกรุงเวสาลีณนะที่นั้นแล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 การยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้มีสัมชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึง ม, มีสติสัมชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายสติสูตรที่สองจบ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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิดบางทีข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดารัสของพระผู้มีพระภาคบางทีข้าพระองค์พึงเป็นผู้สืบทอดพระดารัสของพระผู้มีพระภาคภิกษุเพราะเหตุนั้น เธอจงทําเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรงเมื่อใดศีลของเธอจก บ, บริสุทธิ์ดีและความเห็นจกตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีดลดํารงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการโดยสมวิธีสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือในธรรมวินัยนี้เธอหนึ่งจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้จงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้หรือจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สองจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. า จ, จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่จงพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. จีจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุเมื่อใดทื่ อ, อาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้โดยสมวิธีอย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในคุูสุรธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาเธอก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก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 ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพิกุสูตรที่สจบ 4. สารสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลาสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลาแควนโกสนณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานเพื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้เธอทั้งหลายพึงชักชวนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือมาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายหนึ่งจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งกายตามความเป็นจริง 2.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 ตามความเป็นจริง 4. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้พิกษจเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมที่เป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแม้ภิกษุเหล่านั้น ก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ eh. uh, ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้กายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้เวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่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 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวิ น, นัยนี้เธอทั้งหลายพึ่งชักชวนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปทานสี่ประการนี้สารสูตรที่สจบ 5. อากุศลราสิสูตรว่าด้วยกองอากุศล เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนิวรณ์ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหประการเพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์หประการนิวรณ์หประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กามาฉันทะนิวรณ์สพยาบาทนิวร 3. ์ถีนมิทน า, มานิวรณ์สอุทจักกุกกุ จ, จานิวรณ์หวิจิกิจชานิวรณ์บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศน์จะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนิวรณ์5ประการนี้เพราะกองอกุศน์ทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์หประการ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 เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปฐานสี่ประการอากุศลราสิสูตรที่หจบ 6. สกุนักชิสูตรว่าด้วยเยี่ยวภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วเหยี่ยวโชบลงจับนกมูลไถอย่างรวดเร็วขณะนั้นนกมูลไถกำลังถูกเหย่ยวพาไปได้ร้องคร่าครวญอย่างนี้ว่าเราอับโชคมีบุญน้อยเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินถ้าในวันนี้เราเที่ยวหากินในแดนหากินที่เป็นของบิดาของตนไซส์เราก็าอาจสู้เห ย, ยว่ตัวนี้ได้เหยี่อจึงถามว่าเจ้านกมูลไถ แดนหากินที่เป็นของบิดาของเจ้าคืออะไรนกมูลไถตอบว่าคือถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถ ท, ที่เขาไถไว้ขณะนั้นเยว์ ย, วยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงปล่อยนกมูลไถไปด้วยพูดว่าไปเถอะเจ้านกมูลไถถึงเจ้าจะไปในที่นั้นก็ไม่พ้นเราทีนั้นนกมูลไถจึงไปยังถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถ ท, ที่เขาไถไว้ จับที่ก้อนใหญ่ยืนร้องท้าเยี่า ว, ว่าเจ้าเห ย, ยว่เจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้เจ้าเห ย, ยว่เจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้ขณะนั้นเยี่ ย, ยิงในกําลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกําลังของตนจึงหุบปีกทั้งสองลงโฉบนกมูลไถอย่างรวดเร็วเมื่อนกมูลไถรู้ว่าเห ย, ยว่ตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็วไม้จะจับเราจึงหลบเข้าซอกก้อนดินนั้นเอง เ ย, ยว่ทำให้อกกระแทบมูลไทตายในที่นั้นเองเรื่องนกมูลไท่เที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แหลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโครจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมารก็จกได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโครจรของภิกษุเป็นอย่างไร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 โธพธิภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจุงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจร มารก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโครจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือสติปทานสี่ประการสติปทานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิันนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 มัคตะสูตรว่าด้วยลิงติดตังภิกษุทั้งหลายทินที่เป็นขุนเขาหิมาพานซึ่งไปได้ยากครุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ทินที่เป็นขุนเขาหิมาพานซึ่งไปได้ยากครุขระเป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงไม่ใช่ที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์มีอยู่ ภาพพื้นขุนเขาหิมพานซึ่งราบเรียบน่ารื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ณที่นั้นพวกนายพรานวางตังดักไว้ที่ทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงภิกษุทั้งหลายบรรดาลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่ลอกแกลบลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นก็หลีกทางไกลส่วนลิงตัวใดโง่ลอกแลบ ลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นแล้วเอามือจับดูมือจึงติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือออกจึงเอามือข้างที่สองจับมือข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองข้างออกจึงเอาเท้ายันเท้าก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าออกจึงเอาเท้าข้างที่สองยันเท้าข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้น มันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกจึงเอาปากกัดปากก็ติดที่ตังนั้นอีกลิงตัวนั้นติดตังห้าแห่งอย่างนี้นอนถอนใจถึงความพินาศย่อยยับแล้วถูกนายพรานทาได้ตามใจปรารถนานายพรานแยกลิงตัวนั้นออกแล้วยกแขวนไว้ในที่นั้นเองไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตามต้องการ เรื่องลิงเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโครจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโครจรมารก็จกได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโครจรของภิษุเป็นอย่างไรคือกามาคุณห้าประการกามาคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 พาใจให้กำนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคโจรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคโจรเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรมานก็จักไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคโจรอะไรบ้าง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 สุทัสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพ่อครัวภิกษุทั้งหลายพ่อครัวผู้เขาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอมาของพระราชาด้วยแกงชนิดต่างๆคือเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างเผ็ดจัดบ้างหวานจัดบ้างฝืนบ้างไม่ฝืนบ้างเค็มบ้างจืดบ้าง พ่อครัวผู้เเข้าไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมนั้นไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเราหรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มากหรือชมแกงชนิดนี้วันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดของเราหรือรับแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดตักแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดมากหรือชมแกงที่มีรสเปรี้ยวจัดวันนี้ แกงของเรามีรสขมจัดมีรสเผ็ดจัดมีรสหวานจัดมีรสเฝื่อนมีรสไม่เฝื่อนมีรสเค็มวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสจืดของเราหรือรับแกงที่มีรสจืดตักแกงที่มีรสจืดมากหรือชมแกงที่มีรสจืดพ่อครัวผู้เคาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้คาจ้างไม่ได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนเขาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่สังเกตชนิดแห่งอาหารของตนแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้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 และความเศร้ามองไม่ได้เธอไม่กําหนดนิมิตนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่ได้ทําเครื่องอยู่เป็นสุกในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้ขลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่กําหนดนิมิตแห่งจิตของตนภิกษุทั้งหลายพ่อครัวผู้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมบํารุงพระราชา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 หรือรับแกงที่มีรสจืดตักแกงที่มีรสจืดมากหรือชมแกงที่มีรสจืดพ่อครัวผู้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้างได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย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 ย่อมได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนสูท่าสูที่8ดจบ